ปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิเทียาลายัยเล่มที่14พระสุตตันตปีดกมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตพระสุตตันตปีดกมัชฌิมานิกาย อุปริปันนาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเทวทหะวักหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหานิคมหนึ่งเทวทหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวทหานิคมวัฏของนิครณ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 สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะการบําเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทํากรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอํานาจแห่งกรรมต่อไป กรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนึกโครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราเข้าไปหานึกโครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้แล้วถามอย่างนี้ว่านึครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคล น, นี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างเสวยอทุกขมาสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไป เพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปจริงหรือนิครนเหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ยังปฏิญญาว่าใช่เราจึงถามนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้ว นดดดิครนเหล่าน an no ั้นตอบว่าไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไวในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไวไม่ทราบท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบท่านผู้มีอายุ นิกครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบหรือว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราเพิงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปไม่ทราบท่านผู้มีอายุนึกครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบการและอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันหรือไม่ทราบท่านผู้มีอายุ นิโครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบดังนี้ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทาบาปกรรมไวในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทาไวไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไป หรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปท่านทั้งหลายไม่ทราบการและอกุรุลธรรมและการบำเพ็ญคุรุลธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอทุก ข, ขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะ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 มิใช่ไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทําไว้พึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างพึงทราบว่าทุกประมาณเท่าน we ี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื <Alright>. ่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป ท่านทั้งหลายพึงทราบการและอกุยสุธรรมและการบำเพ็ญอริยสธรรมในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคล น, นี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอุทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะเพราะไม่ทํากรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งกรรมต่อไป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 บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนมิดอมาตย่าสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของบุรุษนั้นเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศ้อนในแผลของเขาเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศ้อน บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหม้อผ่าตัดนั้นจึงถอนลูกศ้อนออกเพราะเหตุแห่งการถอนลูกศรออกบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหม้อผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลบุรุษนั้นพึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อน ต่อมาเพราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทบรุษนั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรียอยู่ตามลำพังได้เดินได้ตามปรารถนา<ๆ>เขาคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงเรานั้นได้สวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนมิดอามาดยาสาโลหิตของเรา จึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลของเราเพราะเหตุแห่งการใช้มีดผ่าปากแผลเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นจึงใช้เครื่องมือตรวจหาลูกศรในแผลของเราเพราะเหตุแห่งการตรวจหาลูกศรเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นได้ถอนลูกศ้อนออกมา เพราะเหตุแห่งการถอนลูกซ้อนออกเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหม้อผ่าตัดนั้นใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งการใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเรานั้นได้เสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนบาดนี้เพราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทเรานั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรียอยู่ตามลําพังได้เดินได้ตามปรารถนา แม้ฉันใดนิครนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วพึงทราบว่าเราทั้งหลายได้ทําบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทําไว้พึงทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้ว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 เราทั้งหลายได้มีแล้วในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้มีแล้วไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้ไม่ทราบว่าเราทั้งหลายได้ทาบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ทราบว่าทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้สลายไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้สลายไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไป ท่านทั้งหลายไม่ทราบการและอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันฉะนั้นนิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอุทุกขมสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะบักเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อานาจแห่งกรรมต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันจะไหลไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุนิโครนน้าตาบุตรเป็นสัพพันยูผู้รู้ธรรมทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญายาณทัศนะยังเบ็สเ็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ยาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปนิโครนหน้าตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิโครนผู้มีอายุทั้งหลายบาปกรรมที่ท่านทั้งหลายทําไว้ในชาติก่อนมีอยู่ท่านทั้งหลายจงสลัดบาปกรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทําได้ยากเผ็ดร้อนนี้ การที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสัรวมใจในบัดนี้นั้นชื่อว่าเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไปเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตะบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไป เพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปคำที่นิครนหน้าตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีใจยินดีภิกษุทั้งหลายเมื่อนิครเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายทำห้าประการนี้มีผลสองอย่างในปัจจุบัน ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. รู้จิความชอบใจ 3. อนุสวะการฟังตามกันมา 4. อาการปริวิตกความตรึกตามอาการ 5. ทิฏฐินิชาณะขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิดไว้นิครนผู้มีอายุทั้งหลาย ทำห้าประการนี้มีผลสองอย่างในปัจจุบันบรรดาทำทั้งห้าประการนั้นเนื้ครุณผู้มีอายุทั้งหลายมีความเชื่อมีความชอบใจมีการฟังตามกันมามีความตรึกตามอาการมีความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไวในศาสดาผู้มีวาทะที่เป็นส่วนอดีตอย่างไรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะอย่างนี้ ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้อตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิครนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเรากล่าวกับนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิโครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายพึงสวยทุกเวทนากล้าเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้านิครนเหล่านั้นรับว่าท่านพระโคดมสมัยใดข้าพเจ้าทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้า สมัยนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็สวยทุกเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแต่สมัยใดข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่สวยทุกเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเรากล่าวดังนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลาย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 ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อครผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณว่าบุรุษบุคคล น, นี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างเสวยอุทุคมาสุขบ้างทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตะบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อานาจแห่งกรรมต่อไป เพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนผู้มีอายุทั้งหลายถ้าสมัยใดท่านทั้งหลายมีความพยายามอย่างแรงกล้ามีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นทุกขวเวทนากล้าเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความพยายามอย่างแรงกล้าไม่มีความเพียรอย่างแรงกล้าสมัยนั้นทุกเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพึงหยุดได้เองเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้าง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 สมัยนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่พึงเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าท่านทั้งหลายเมื่อเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าย่อมเชื่อผิดไปเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้จริงเพราะความงมงายว่าบุรุษบุคคลนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างเสวยอทุกขมสุขบ้าง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 ภิกษุทั้งหลายเราแม้มีวาทะอย่างนี้ก็ไม่พิจารณาเห็นการโต้อตอบวาทะอันชอบธรรมแม้สักนิดในนิครนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเราถามนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า จงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้นิโครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายเพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร คือกรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นทุ ก, ยายาทกททข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้วกรรมนั้นท่านทั้งหลายเพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใ ด, ดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลมาก ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุกรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่า จงให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผลสิบประการนิครนผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าหนึ่งกรรมใดให้ผลในชาตินี้กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาติหน้าด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้ 2. กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลในชาตินี้ ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี <can die>? ้ 3- กรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 4- กรรมใดให้ผลเป็นทุกข์กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 5- กรรมใดให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว กรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 6. กรรมใดให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลเสร็จสิ้นด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 7. กรรมใดให้ผลมากกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลน้อยด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ แกรรมใดให้ผลน้อยกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 9. กรรมใดให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงอย่าให้ผลด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียรนี้ 10. กรรมใดไม่ให้ผลกรรมนั้นท่านทั้งหลายเปลี่ยนไม่ได้ว่าจงให้ผล ด้วยความพยายามหรือด้วยความเพียร น, นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามความเพียรของนิครนผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผลภิกษุทั้งหลายนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิประการของนิครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้ภิกษุทั้งหลายคือหนึ่ง ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนนึกครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาสวยทุกขเวทนากล้า<ๆ>เผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวนนึกครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นต่าเนรมิตรมาแน่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากลา้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 3. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากลา้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติ นิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีอภิชาตเลวแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 5. ถ้าหมูสัตว์เสวยสุขและทุกเพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีความพยายามเลวซามในปัจจุบันแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 6. ถ้าหมูสัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิถ้าหมู่ <In tradition. S 2> สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตําหนิ 7. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอศวนนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวนนิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตําหนิ 8. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตํา ห, า ห, หานินหกเนก ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตินิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตินิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ 10. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตาหนินิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อต่อกันมาสิบประการของนิครนทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ถูกตาหนิได้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลเป็นอย่างนี้แล ความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรอันหนึ่งเรานี้มีทุกข์เป็นเหตุ มีอุ <lesh. S 1> เบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอ ย, ร ย, อยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรภิกษุนั้นจเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีะะอุเบกขาจเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้น เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกเป็นเหตุนั้นมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชายผู้หลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงเขาเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเละอยู่กับชายอื่นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโศกะความเศร้าโศก ป, ปริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแคนใจ พึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าพึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นฉะนั้นโซกะบริเทวะทุกโทมนตและอุบายาต จึงเกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนชอเลาะอยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นชายนั้นคิดอย่างนี้ว่าเราหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่น ทางที่ดีเราควรเลิกรักหญิงที่เราหลงรักนั้นเสียเขาจึงเลิกรักหญิงที่เคยหลงรักนั้นเสียสมัยต่อมาบุรุษนั้นเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้น เพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมไม่พึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นคลายความรักในหญิงคนโน้นได้แล้วฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกข์โทมานต์และอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนฉอเลาะอยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียรภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นเริ่มบำเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญความเพียร ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้มีทุกเป็นเหตุมีอุเบกขาจเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำนัดได้ทุกนั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายอากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอากุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลาบาก เมื стати, ่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาพิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบาก ภิกษุทั้งหลายช่างสอนลนลูกสอนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ลูกสอนอันช่างสอนลนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้แล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่ลนลูกสอนนั้นข้อนั้นประเหตุไร เพราะช่างสอนนั้นพึงลนลูกศอนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเขาสำเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่ล่นลูกศอนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันไม่ต้องดัดให้ตรงจนใช้การได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เมื <unlucky S 2> ่อเราอยู่ตามสบายอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้น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 ความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้